ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พุทธศักราช2529มหาวิทยาลัยรามคำแหงถวายปริญญาปราชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พุทธศักราช2532มหาวิทยาลัยมหิดลถวายปริญญาอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พุทธศักราช2533 มหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสง์แห่งคณะสงไทยถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศักราชสองพมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาปรัชญาและศาสนา พุทธศักราช2538มหาวิทยาลัยนเรศวรถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์สาขาบริหารการศึกษาพุทธศักราช2539มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจ์ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมา์พุทธศักราช2541มหาวิทยาลัยขอนแก่นถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์ สาขาภาษาไทยพุทธศักราช2543มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถวายปริญญาศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศักราช2545มหาวิทยาลัยมหาสารคามถวายปริญญาศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์